ไม่มีใครอยากจะถามอะไรไป็นยังไงนั่งหกชั่วโมงแล้วเป็นยังไง <c oughs> ดีไหมมอง ไ, ไม่เห็นหน้าทา่า <c> น <oughs> อยาก่นแ อ, อก็ไปได้ดีนะทา่านตอนนี้ดีแล้วค่ะเรือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะไม่ต้องรายงานหรืเอเปล่าสองกันบ้าง คือคือว่าหลังจากที่ทำได้สัก3ามวันก็นเกิดอาการมาหาคันขึ้นมาคันมากเลยคันตร ง, งที่เรานั่งเนี่ยแต่ว่าตอนตอนนั่งเนี้นะทามันเหมือนคนเหมือนเหมือนคนไปถอนฟันแล้วถูกฉีดยาช า, าไม่รู้เรื่องไม่คันแต่พอเลิกแล้วลุกขึ้นนั่งเดินไปเดินมาเนี่ฮนะทำไรเนี่ยมันคันมาก ออกนอกบ้านไม่ได้เดี๋ยวเขาคนแล้วก็อย่างนี้บ้าเลยฮะก็อย่าไปคันอย่าไปเกาเลยอพูดง่ายอะแต่ว่าอ้าวคือว่าปฏิบัติเพื่อปล่อยวางเวทอันไรเก็เวทนาวางไม่ไหวแลท่านเพราะว่ามันแับจะระเบิดเลยเหมือนหนังคลังคบด้วยค่ะอืมันรวมอ่ะก็พูดโตพูดโธไปพุทโธไปอยังไม่ไม่หา อยากไปอยากให้มันหายไม่ได้ต้องการให้มันหายมัางงานมีส่วนนะต้องการหยุด ต, ต้องการหยุดเกามานะันนมีส่วนค่ะแต่ว่าก็เอ่ออริยสัจสี่ที่โยงอัปปายนะอก็ว่ามันต้องไปหาเหตุว่าทําไมมันถึงทาไม่ใช่ไปหาเหตุว่าทำไมต้องเกา่เกาเอาเก่าอก็เกาเพราะว่าอยากให้มันหายคันใช่ใช่ไปหาเหตุผิดที่อนอ แ, แต่สรุปแล้วนะคะทาง คือคือว่ามันมันเกี่ยวกับระบบน้ําเหลืองค่ะเพราะว่ายงก็เป็นโรคแพ้คันขันมาตั้งแต่เกิดนะฮะเดม๋ยวนี้ไปเราไปนั่งมากๆเนี่ยก็ไปบล็อกทางเดินของเขาน้าเหลืองนะฮะเพราะมันเป็นต่งตรงแถวที่นั่งนะคะอนี่ก็เลยก็ก็เอามันไม่ได้ว่ามีพระจีนที่แบบว่าต้องแกวแขนนะฮม ชื่อไปกระตุ้นน้ำเหลืองให้มันหมุนเวียนนะคะก็เริ่มเลยเพราะมีหนังสืออยู่อันของของพระพระศิลร่างการนะ่ะถึงสังกฤตแล้วนเขียนว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยซึ่มีหลายท่านซึ่งเป็นคันกระเจอเนี่ยค่ะก็เออเราไม่ใช่คนเดียวนะคะก็ไปทำคือไปทำเนี่ยทั้งแกว่ง กขวงทั้งทั้งแขนทั้งทั้งขาเลยนะคะตรงขานีเนี่ยเพราะมันมีต่อมสำคัญตรงแถวเนี้ถนี้ไปแวงแวงทีละข้างละห้าสิบข้างละห้าสิบทั้งขาทั้งแขนพระกกดัาซาจารย์วันเดียวนะแต่ว่าสามสามสี่หนนะโดยเฉพาะก่อนก่อนนั่งหกชั่วโมงกับหลังออกภบชั่วโมงนะแกวงใหญ่ยนี่ on top of ไปเดินอะ่ะเดินนี่ก็เช้าเย็นสามกิโล ไม่ช่วยเลยน้อยกันไปต้นเนี่ยเดี๋ยวนี้หายแล้วค่ะอือ์ติบหายเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดแล้วเพราะเราตอนทานออกตอนไม่ได้นั่งมันเลยหายไม่นั่งค่ะโอ้โหสีข้อไหนอาร์ีิบข้อสี่ยังอยู่าแล้วก็นนั่งไปแล้วมันหายไปไงไม่เป็น ก็เราแกงนนะฮะเราเราแฝงลืมก็แกงแขนเนี่เลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> แกงแขนแก ง, งขาเนี่ยอแล้วก็เดินเดินมันก็เดินะแต่ว่าแค่เดินมันไม่หายต้องแกงนี่ปัจจุบันก็ต้องทําน ะ, ะอันนี้จะจะนั่งเสรชั่วโมงก็ไม่ว่าเลยนะไม<ล>่ว่ามันแกงแขนอแล้วจะไม่คันอีกแล้วอนี่ประสบกับตนเองนะท่านคนอื่นอานไม่เป็นนะะแต่ยงเป็นอ่ะอพราะเป็นโรคคันกระชอนมาตั้งแต่เล็กๆ ใครตัดหญ้าอะไรนี้่นะแพะแกะสอนตับไม้อืะไรพวกเนี้เมันบังคนนะคะเดี๋ยวแล้เราก็ออกมาได้คนะ่ะอืออกมาจากทุกนั้นได้อันนี้ก็ยิ้มได้เลยยิ้มพอไม่คัน<笑><笑>ถ้ามันคันก็ยิ้มไม่ออกเอง ร, <ต>รู้ว่าจะไม่คันรู้ว่ามันเป็นปัญหา ต, ต้องยิ้มได้ตอนที่มันคันอย่างงก็ถูกอ่ะ แต่ตอนนั่งมันไม่คันนะท่านมหาจารย์ต้งไม่นะที่ที่ปฏิบัติที่เพื่อให้มันมันยิ้มได้กับคันหรือไม่คันไม่ใช่ยิ้มได้แต่เฉพาะตอนคันตอนไม่คันตอนคันก็ต้องยิ้มได้ไม่ไหวไม่ไหวนะมหาคันนะปล่อยวางไม่ได้ไม่ไหวนึงใจออาใจก็ดีกว่ามาคันไอ้อย่างเนี้หนึงใจเอาจากความคันไม่ได้สรุปแล้วโยองไมมีความสุขแล้วตอนนี้นั่งสมาธิ พุทโธพุทธเนี่ยสงบนิ่งสปา อ, อันนี้นก็คิดว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันนะก็คือถ้ายัางยังมีปัญหากับความคันอยู่มันก็ยังไม่ผ่านนะต้องต้องไม่มีปัญหากับมันมันจะมาหรือจะไปก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็รู้ทุกแล้วว่ามันเป็นทุกข์ขนาดไหนแล้วเราก็แก้ปัญหาของเราเอง แก่แบบนี้มันเดี๋ยวเจอความคันอีกมอนก็ใช่มันก็อไม่รู้ยจงไงไม่คันอ่ะมันอนิจจังอะความคันนี้เหมือนการอนิจจังทำไมมันมามันไปมันเกิดมันดับในเวลามันมาเราต้องเฉยให้ได้สิ่างจะถูกต้องแฮปปี้เหมันตอนนี้ตอนนี้มันไม่มาเราก็แฮปปี้แต่ว่ามันดีตรงตรงที่เวลาเราพุดโธกันเนี่ยนะคะท่านพุทโธพุทโธพุโธเมันหายไหลายเรื่อมันไม่คัน เข้าใจเราไม่ไปสนใจมันไงใจเราอยู่กับพุทโธซึ่งดึงใจออกจากความคันเนี่ยเวลาไม่มีพุทโธมันก็จะไปเก่าให้ได้อยากจะให้มันหายนี่นะครับทับระเบิดเลยแค่ตาะอยากจะให้มันหายให้ได้มันก็เลยกับความเครียดขึ้นมาอที่เราต้องการแก้ไม่ใช่ความคันแต่ความเครียดเครียดจากความอยากความอยากเก่าแล้อยากให้มันหายคันเนี่ย อันเนี้ยความคันนี้ก็ถือว่าเป็นเวทนาแบบหนึ่งความรู้สึกเนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหความเจ็บมันก็เป็นเวทนาอีกแบบความคันจักรจี้เนี่ยมันก็เป็นเวทน า, านนใครมาจี้ทำจิตแข็งๆนี่ใครจะจี้ไงก็ไม่ไ ม, ไม่หวัหวเราะไม่อะไระเฉยๆ ถ้าจิตอ่อนนี่ไหวนี่พอแค่บางที่นี่ก็ว่ากิ๊กกักก็ได้บทเรียนมาอาทิตย์เนี้ยได้บทเรียนมาคือที่ให้นั่งคือให้ปาล์มความอยากต่างๆคือทุกรูปแบบความอยากทุกรูปแบบทางตาหูจมูกเส้นกายเนี่ให้นั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรสมมติว่าเรากําลังนั่งนั่งเครื่องไป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 ไปดูไอ้นู่นไปฟังไอ้นี่ไปลิ่มรถไอ้นั่นไปดื่มไอ้นั่นไปกินไอ้นี่อะไรอันนี้เป็นความอยากแบบยังไม่ใหญ่โตความอยากพื้นฐานเก็บตัวเล็กๆก่อนแล้วถ้าเรามีกำลังต่อไปเราก็จะเก็บตัวใหญ่แล้ให้ตัวที่คันเนี่ยไอ้ตัวที่เก็บเนี่ยต่อไปเราก็จะเก็บมันได้ถ้าเราไม่ทำเลยเราก็จะไม่มีกำลัง แล้วมันจะทำให้เรานั่งสมาธิสงบได้ง่ายขึ้นเพราะนิวรมันจะน้อยความอยากในในการมัฉันทะนี่มันจะเบาก็ <c oughs> จะทำให้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ดีขึ้นเพราะเรามีหนึ่งเรามีสติมีกำลังมากขึ้นสองความอยากการมัฉันทามันเบาลงการมฉันทานี่ก็เป็นนิวร ตัวที่เป็นอุปสรรคคนที่นั่งกันไม่ได้นานๆเพราะนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากจะลุกแล้วอยากจะไปทำอย่างทาไม้นุ่นทาไม่นีแล้วพออยากจะลุกแล้วก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้นะอะไรให้ตามความอยากจะลุกนี้ให้นั่งเฉยๆแต่ให้ขยับได้นะอยากจะขับขยับซ้ายขยับขวาจะลุกขึ้นมายืนไดน้แต่ให้นั่งไปนานๆ นั่งได้กี่ครั้งหลายครั้งอะไรโอ้เป็นอาทีแล้วเจิมกับเช้าที่แล้วที่อาจารย์บอกไปร้องนั่งทุกวันเลยนะทุกวันแหละทุกที้มันก็ทานก็นั่งเนี่ยสู้อ่ะทั้งร้าน 5-6 ชั่วโมงเนี่ยนะน่าเป็นอย่างมีกําลังมากขึ้นในใจสติตมีกําลังมากขึ้นหยุดความอยากได้มากถ้าอาจพันจะเข้ามานะคะก็ต้องเข้ามาครั้งต่อไปก็ต้องมาปราบเรื่องเดือมกาแฟดู ยังไม่ต้องเลิกเองแต่ให้เดิมแค่คนเดียวให้เดิ ม, มให้เดิมให้เดิมกับอาหารช่วงอ่าก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเลิกเองแต่ว่าให้ลดมันให้ให้เหลือวันละครั้งเดียวเดี๋ยวที่จะซื้อเหมือนได้ไหมแต่ตอนนี้นะเรื่องที่เข้ามาก็คือเดี๋ยวต้องไปจ่ายตลาดเพราะจะตอนไปสายบ่อพวกนี้อันนี้อันนี้เป็นความอยากที่ดีนะฮะ ก็ต้องดูว่ามีเหตุมีผลหล่าทุกความอยากที่ดีแต่ถ้ามันเป็นการเลี่ยงความอยากที่ดีกว่าคือการนั่งเฉยๆเรื่องไม่นั่งอันนี้ก็เป็นกิเลสมันฉลาดมันจะหาเหตุอย่างคนที่ไปถูกขังอยู่ในอยู่ในวัดให้ไปภาวนาแล้วก็คิดว่าเราไปทอดผ้าป่าดีกว่าเอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นกิเลสมันหลอกมันไม่ต้องการให้เราขังมันไงกิเลสมันไม่ชอบถูกขัง พอมันถูกขังมันก็จะหาเหตุที่ดีมาอ้างคือถ้าเอาเหตุที่ไม่ดีมาเราก็รู้ทันมันใช่ไหมออกไปไม่ได้มันก็เล่าเหตุที่ดีมาอ้างว่าโอ๊ยต้องไปเยี่ยมคุณแม่เออไป อ, อ่าไปท่าผ้า ป, ป่าหรือไปเยี่ยมเพื่อนไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยทั้งปีทั้งชาติไม่อยากจะไปหาเขเลยแต่พอถูกขังอยู่นี่มันอยากจะไปหาคนาละพอรู้ว่าเขาไม่สบายก็อยากจะไปเยี่ยมเขาละอั น, นี้มันหาเหตุออกก็จไหม ที่เราให้นั่งเพื่อเราสัมรวมตาหูจมูกนิ้วกายเราต้องการที่จะปรามให้ไอความอยากที่จะออกไปทางตาทางรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันได้จับจับมันขังเหมือนกับขังอยู่ในคุกเนี่ยย่ขังอยู่ในห้องขังห้องขังยังดีพวกคุกก็ยังเดินเหินทำอะไรได้แต่เราไม่ให้ทำอะไรเลยให้นั่งเฉยๆลองทําดูเขาต่อไปไปติดคุกก็จะไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนอ่สปายมาก นั่งเฉยๆได้ความริงประติโค้งนี้สบายไม่ค่าเช่าบ้านก็ไม่เสียค่าก็ฟรีน้ำไฟก็ฟรียังมีราระพอคุ้มครองอีกยีสีชั่วโมงอ๋อนั่งไปไปในโซนาบานเตอแล้วก็ไานั่งสบายที่ที่ได้มาตอนนี้ค่ะท่านอาจารย์จากที่ทำมากๆคือคือว่ามันมีมันมีมีมา ความสงบนี่ติดต่อกันยาวชั่วโมงติดต่อกันแม้กระทั่งลุกขึ้นไปเอาพัดลมมาเปิดก็สัดสามเมตรไปสามเมตรไปตอีกสามเมตรแล้วก็แล้วก็หลีหีตาไม่เปิดแค่หลีหลีตาไปตอ น, นั้นก็เป็นความยากอีกอะเปิดพัดลมก็เป็นความยา ก, ยากมันมันมันย้อยหยดไปหมดก็ปล่อยมันหยดไปสิคิดว่าไฟดับก็แล้วกันนะแต่ก็จะพูดที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มี ไปไม่ไม่มีพั้นหลงค่ะคือว่าโยงกลับมานั่งเนี่ยนะคะแล้วมันก็มันก็ต่อนิ่งอย่างรวดเร็วมากค่ะ ม, มันไม่ได้หายไปไหนเลยถึงเราจะจะออกไปนิ่งนิดนึง ล, ลุกขึ้นยืนแล้วนั่งกลับมาเนี่ยมันก็มันมันจะอยู่ของมันตลอดเหมือนแม่น้ําที่มีน้ําไหลเลอา่าไปของมันเรื่อยๆเราคิดว่าจะทําไปเรื่อยๆได้ไหยคิดว่าถือเป็นกิจวัตรประจําวันได้ไหมได้ ถ้ามีกันถ้าไม่ไม่ต้องไปทําอะไรนะอ่าทีเพราะเราเป็นคารวานทีอกลับมาไม่ทันน้านอะไรนะอ่นอแต่ว่าทําได้ฮะเขามันดีดีกับเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะถ้านอกจากนั่งหกชั่วโมงแล้วยังมีเวแลแต่ยังมีนั่งสมาธิแบบปกติเยอะเ่าหรื อ, อไม่ได้นั่งนะอนนี้บ่ายมองถึงหกโมงเย็นเวลาอื่นเมื่อก่อน แล้วก็แล้วก็เพราะอันนี้ไปทําเจ็จกลางคืนไม่ได้หลับแน่เลยหลายชั่วโมงเพราะเรารู้ว่าเราไม่ตกผวางเพราะเพราะอะดรีนาลีนร่างกายมันยังอยู่น ะ, ะแล้วก็ไปเริ่มอีกทีสักสั ก, ก เ, เกือบสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่ม น, นั่งสมาธิกลางั่สมาธิาอีกหนึ่งหรือสองชมตามแต่ร่างกายเขาเหนื่อยไม่เหนื่อยแล้วก็หลับแล้วก็เจอตื่นมาอีกสักตีสี่หรือตีสี่ครึ่งไปถึงหกโมงเช้าอันนั้นเป็นกิจวัตร ที่เคยทํามาสี่ถงหกมก็นั่งต่อยค่ะนั่งสมาธิเหมือนกันนะค่ะเออก็ได้เยอะนะ่านก็เด่นเลยได้วันเกือบสิบชั่วโมงอะค่ ะ, อะนอนห้าชั่วโมงก็พออะพอมากกว่าเพว่าเพราะว่าเวลาเวลาเร า, น, รานั่งสมาธิเนี่ยนะคะอืมเออมันเหมือนกับหลับมันเหมือนกับหลับนะเราคิดแค่อย่างเดียวเออามันไม่เข้าไปทําทําลายสมองนะเพะมันมีน้อยนิดถ้าเราคิดยี่สิบอย่างเนี่ย มันทำที่สมองเกิดสารเคมีในต่ออะไรที่เป็นเป็นความจําเสื่อมได้อืคนที่คิดมากๆอลูกสาวเขาบอกมาเอก็พยานามต่อไปอถ้าทานแล้วมันดีก็ควรจะทําต่อออคุณไม่นั่นนงครึ่งชั่วโมงทุกวันไม่พอกนะ็แล้วแต่คนแต่ละคนก็มีกําลังมมไม่เท่ากันแนวแน่มากค่ะ Uh, uh. Yeah. What I, what I found out, what, what I found out as I've as I've grown older, uh, and it's only just happened in last maybe last two months, a lot of my very very close friends are passing have passed away. Yeah. Now. I d o n I understand that you know nothing's permanent or anything like that, but it, it comes as a bit of a shock, you know. Like there's about last week, of three friends just passed away, all all in England. Yeah. Uh, and it it. Uh, don't know. How I'm just starting to put it that a j a m But it it it it s it you it it t l e hard, i i k e you know. it uh i -huh. um, If you lose like one a year, you know you think, well, that's natural. You know, t h i n well, it's natural anyway. You know, if anybody dies, but it i t s you, and you know, it it's maybe, it, one to a better word, it's r a t t l e m e r a t t l e m e y yeah. r a t t l e m e t c h s y yeah. o u n g stuff, a n t h I know how to handle it because you know, it, well, I think I know how to handle it. Um, you, you know, you've just accept that that's the way it goes. You see, mm -hmm. uh, but it. You know, when you're young, you, you don't you don't realize these things are, are going to happen uh -huh. until you get until you get you know my my age. Right? Yeah. Mm -hmm. So you know, I, I, don't, I don't know. I n t w e l l the the Lord Buddha uh, recommend that we regularly think about death, so that we don't forget. And then we also make it more or less common. The more you think about it, it will be some something common, and then it will not startle you or rattle you when it happens. If you don't think about it, you w know, then it becomes something uncommon, and when when it happens, it can rattle and you know, can hurt you. See the mind has the tendency to to negate uh, death. The mind likes to look toward life. It likes to live, but it doesn't like to die. But the truth about body is that it has to die. So when the body dies, it it hurts the mind because the mind doesn't want to die. But if you study the Lord Buddha's teaching, you will hear that the body has to die, but the mind doesn't die with the body. The one who wants the body to live doesn't die with the body. So if you If the mind can separate itself from the body, then when the body dies, the mind will not be hurt because it knows that it doesn't die with the body. Yeah. Give you an analogy: mm -hmm. an automobile and a driver. The body is like a uh, an automobile, while the mind is like the driver. See when the car breaks down, the driver doesn't break down with the car. Yeah. The, the driver takes the car into the shop and have it fixed. See, if it cannot be fixed, just junk it, right? And then buy a new car. t h a t is the h how the mind and the body works. The mind o b t a i n the. the Go into a shop and buy a new car, and you the a u h o a e t o t a k e it to the hospital to have it fixed. If you can, but if you cannot fix it, then you just you just get a new car, get a new body. That's how this rebirth thing comes about. See. You the mind doesn't die with the body, so it go and take a new body, take up a new body, take a new birth. But the problem with every birth is that the b o d y that you take up will eventually get sick, get old, and die again. And no matter how many new bodies you might have obtained, you will still face the same old suffering. Because you don't want the body to get sick, get old, or die, so the Buddha discovered that the cause of the mind suffering is not the the the sickness or the death of the body. The cause of the mind suffering is due to the mind's desire. Want to get sick or die? So the, the Buddha said, we have to reprogram the mind, to teach the mind that the body is not the mind, and that whatever happens to the body, i you n know, doesn't hurt the mind. What really hurts the mind is the desire of the mind to cling to the body, to not let the body go naturally. So this is what we are here for. We are here to train the mind to let go of the body. And the way to let go, we have to meditate. Because when we meditate, we don't use the body. You close your eyes, you concentrate on one object, and when your mind becomes fixed on that object, it detaches itself from the body. So once it know once you know how to detach itself from the body, then when the when the time comes for the body to to die, it it will then know how to detach the body. But right? if you haven't practiced meditation, you won't know how to detach your body. You are constantly attached to the body, yeah. and this is what c a u s e d the the suffering. You don't know how to detach. Yeah. So try to meditate more yeah. as you can, because, that, that, that, that really because I know t h n o about the mind. Uh, I know that for a long, long time. Yeah. Um, it's just like you know, I'm here over in Thailand, six like thousand miles away, more or less from all my friends. You know, come over here. And uh, know, like, you know when I go back, when I go back to England, I'm going go back next Saturday, week, week, week, week, week tomorrow, week after this. So. Uh, but I'll never, I'll never, never they'll be, e gone, you see. So it, it gives me a lot of comfort knowing, really, uh, that uh -huh. the mine's gone, b u m i n d s still there, you see. The part yeah. of mine's w e r e you know touched on. Uh -huh. So it. it I'm not. I'm not too bothered about that. But it's like I said to you. You know, as you get as you get older, yeah. it happens a lot more. Where where when you're young, you don't think about it at all. You know, you don't think about it too much because not, get nothing as far, as far. nothing there to remind you of it. see. Now you got a lot of people, you know, dying. So this this truth is being constantly pounded on your yeah. on your mind. So. You now know that you must somehow get ready for this eventuality. Yeah. So the best thing is to o t a n l y remind yourself that you and the body are two separate entities. t h yeah, and yeah, keep constantly telling yourself that the body is not you. The body is just an automobile. A robot you used to, to to to to do all sort of activities, yeah. but now you have to stop using the body. Instead of finding happiness from using the body, you should try to find happiness from meditation. Because when you can be happy meditating, then you don't need the body, and when you don't need the body, then you can. Uh, you can just throw it away when the time comes. Because of the pain of the body, of the death of the body, the suffering is the desire of the mind not to face the pain or face death. But you have to be strong and say, "I'm ready to face you because I'm not you." j u s but the body is just like a good friend, an old friend that you have to lose him. Just like you're losing your old friend right now. So what happened? They go. You still here. The same way with this body. When this body goes, you still here. But even here, you you will be here w i t h o u r body for a while until you eventually obtain a new body. But if you're smart, you will say, "I'd rather not get a new body because if I get a new body, I will still come back and face the same g a i n That's what the Buddha said to himself. I don't want a new body anymore. So I'm going to stop. I'm going to stop all my cravings and my desire, because the the the cost of my taking up a new body are my, my a my cravings. If I still crave for food, crave for coffee, crave for things, I need to have a body to to obtain it. But if you, you don't crave for these things, then you don't need the body. The body is just like a servant that has to do what the mind, the master, tells it to do. And it's the body that really suffers, not the mind. When you eat too much, you suffer. It's the body, right? Who, who gets sick from overeating, or who gets sick from using the body too much? It's the body. But at the same time, the mind also suffers because it wants the body to be healthy, wants the body to be strong. But the way you use the body, you are not making it healthy or strong. You put it, you feed it all with all, all bad stuff that will hurt the body. All the stuff that you drink and eat, yeah. they usually hurt more than help your body yeah. because you eat too much, you drink too much. So you have to meditate a lot because if you succeed, your mind become peaceful and calm. You feel content and happy. Then you don't need to use the body to eat, to have fun, to to have happiness from eating or drinking. You only eat just to maintain the body. You only drink just to maintain the body. And if you do it like that, your body will be healthy and strong. Look at all the master, the meditation masters. They live until 90, 100 y e a r s old, yeah, and still strong when they're still 90. t h e y still can walk around, do things by themselves. You yeah. know, that's because they eat just to maintain the body. They don't eat to to enjoy. You yeah. know, that's the difference. If you eat to enjoy, you will definitely overeat, overdrink. Right, that's right. We're supposed to live to eat, eat to live, not not live to eat. <laughs> okay, so we should try to to use the body less and use the mind more, use the the mental happiness more than the physical happiness. Then you can stop relying on the body. When you don't have to rely on your body, then when the body leaves you, you don't feel you you lose something because you no longer need it anyway. Okay. Oh, yeah. yeah. ยังไม่เข้าใจนี่ก็เป็นคำถามเที่รู้ว่าตัวอย่างมันไม่เที่ยงไปทุกเสีระดับต้องมีแดวทางก็้มีแค่นั้นก็ออเขาข้าไม่ถาอมเข้ามีถาอมเป็นถาม ปิดเวลาเดียวาเดวเขาอก็าเว่าเขาเป็นพระได้แต่เขาไม่เลือกก็ถ้ก่คกองแกล้เอ่อต้องเป็นพระก็ได้ให้ปฏิบัติ แยกกายแยกใจออกจากกันได้แล้วปล่อยวางนั่งกายได้ก็ดีกว่าบางทีมาบวชแล้วไม่ได้มาแยกสมานี้พามาบวชกันมาแยกอะไรไม่ได้แยกใช่ไหมมีแต่มีแต่ <c oughs> แตหาความสุขที่ร่างกายใช่ไหมอย่างนี้ ขพวกเราคือเรายังพึ่งร่างกายกันอยู่ยังใช้ร่างกายอยู่เราต้องหันเลิกใช้ร่างกายใช้ใจอย่างเดียวเอาความสุขทางใจถ้าเรามีความสุขทางใจเราก็ไม่ต้องใช้ความสุขทางร่างกายเพาความสุขทางใจดีกว่าความสุขทางร่างกายแล้วเที่ยงแท้แน่นอนกว่าต้องการเมื่อไหร่ก็ได้ทันที ความสุขทางร่างกายนี่บางทีกาแฟมดก็ไม่ได้นะเวลาไฟดับก็ดูไม่ได้ดูละครไม่ได้ละแต่ถ้าความสุขทางใจนี่ไฟดับไม่มีกาแฟก็พุดโทพุดโธไปแป๊บเดียวมันก็สุขแล้วถ้าเราทําบ่อยๆชำนาญห้านาทีสิบนาทีก็ได้แล้วเร็วกว่าต้มกาแฟเสอีกหุงกาแฟเสีอีกเนี่ยถึบอกให้เลิกของพวกนี้พยายามเลิกเถิด ดีกับเรานะไม่ใช่ไม่ดีเราไม่ได้พูดเล่นนะตอนนี้เลิกไม่ได้ก็เอาให้มันน้อยลบสักครึ่งหนึ่งใคยเดือดกี่เก้าวันหนึ่งก็ลบเหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็ตายมันก็เขาก็ยอมรับกันว่ามันไม่ใช่ยาเสกแต่ว่ามันก็มีผลต่อหัวใจมีผลต่อไอเรื่องนราดิเราไม่ไม่ไม่ได้ไปกังวลอ่ะเพราะว่าจะเดิมไม่เดิอดมันก็ตายเหมือนกันตั้งใจไหย แต่แตว่าไอ้ที่ที่ทําให้เด็กว่ามันจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันแล้วไปกระตุ้นความอยากใช่มใช่มันติดเงี่ยพอมันเนื้อมันมันติดพอถึงเวลาก็ต้องอยากถูกไหมเก็จะหยุดความอยากยากมากเอต่ไม่มีก็พอดนไม่ได้เออใช่ยังไงกาแฟแบบไม่มีคาเฟอีนอ่ะกินง่ายจะตายไหมเวลาและเวลาเราทำสมาธิเนี่ยมันเป็นการ ปิดกั้นปิดกั้นความอยากเพราะเราเรานั่งแล้วเราปิดปิดหมดเลยทั้งทั้งห้างศูนใช่แล้วปิดแล้วเราหยุด ท, าาทา้ า, วาความสุขทางทวารทั้งห้างล้วมาหาขาวศูนย์ทำใจแทนมันจะเข้ามาทำใจแบบทางความจํามากกว่าเพราะว่าเราใช่แต่เวลามันสงบความจําก็หายไปวาายความคิดก็หายไปความอยากก็หายไปมันก็อยู่เฉยๆได้ลช่ไหม น, นะ อ, อ่มันสบายกว่าไหมล่ะอ่านั่นแหละให้ไปตรงนั้นเน่ะ พอใจไหมจะไปตรงนั้นก็ต้องทิ้งตรงนี้ไปต้องทิ้งรูปเสียงกลงิ่นรสผลิตภัจะเข้าไปสู่ความว่างได้๋ยว ต, ต่อไปร่างกายมันจะไม่ไหวอ่ะมันทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นมันจะหกวดเจ็บมันจะซึมเศร้าเพราะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้แต่ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขจากใจได้เราก็ไม่ต้องซึมเศร้าเราก็นั่งสมาธิไป ทำใจให้สั่หมดไปตัดความอยากไปยิ่งความอยากน้อยลงไปเรื่อหมดไปนี่ไม่ต้องนั่งก็ได้ตัวที่ทําให้เราสื่อมคือตัวความอยากเองพออยากก็ไม่ไทํหน้าซึมเศ้า่าเล่าเศ้า น, น้อยหเหงาอยากไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ไปกับเขาคนเข ค, คนอื่นเขาไปกันหมดทิ้งให้เราอยู่บ้านคนเดียวมันก็ซึมเศร้าเหมหือนเหงแต่ถ้าเรา นั่งสมาธิได้เราอยู่กับความสงบได้ไม่มีความอยากออกไปเราก็ไม่เลือดร้อนใครจะไปก็ไปอยู่บ้านแสนจะสบายออกไปข้างนอกตลอดตลอดเหนื่อยจะตายไปใช่ไห ม, มห อ, อ่าของดีก็ความสุขที่ดีกว่าคือความสงบเนี่ยนัตติสันติพลังสุขขังความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสงบไม่มีนถ้าได้ความสงบแล้วไม่ต้องการอะไร ต่อให้เงินมาร้อยล้านพันล้านก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไร <lem. S 1> ซื้ออะไรก็ซื้อมาซื้อรถมา100ร้อยคันมันก็ไม่มีความสุขเท่ากับได้สมาธิ <Okay. S 1> น, นี่แหละคือเราจะไม่ต้องทุกกับร่างกายด้วยพวกที่รวยๆที่มีเงินทองซื้อนูน่นซื้อ น, นี่เดี๋ยวเวลาแก่ันจะทำไงเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยทำไงปวดไข้ตัวอ่ ใช่ไมรถร้อยคันภรรยาร้อยคนเนี่ยพวกอาหลับเนี่ยก็มีซื้อรถกันเต็มทีร้อยคันมีภรรยาร้อยคนเนี่ยหาเล็มใช่ไหมเนี่ยแล้วเวลามันแก่มันเจ็บมันทําอะไรได้อะใช่ไหมอา่าก็มีแต่ความซึมเศร้าะนะเลยค่าตัวตายใช่ใช่เพราะจิตมันอ่อนแอมากไง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 ดพยายามดึงเข้ามาตัวนี้ให้ให้มามาให้มาบอกสักวันว่าตอนที่เลือกเดือกาแฟได้แล้วพาใจไหมพาใจไหมเนี่ยนี่พูดมานี้เพื่อจะมาชวนให้เลือกเดือกาแฟรู้เปล่าดูเส้นหน้าจริงหรือเปล่าหน้าจริงลองไปคิดดูไอ้ตัวเนี้หอมนะฮะมีน้ำกาแฟใช่ก็ดูเวลามันฉี่ออกมาเนี่ยเราไปดมมันใหม่เนี่ย คือว่าเขาเขาเอ้าวมันเดินเข้าไปมันก็ต้องออกมาไม่ใช่เหรอวันหล้งออกมาไปดมมันไม่จะไปจะไปดมตอนที่มันเข้าไปด้วเจ้าของร้านนะะตัเอรองดูดอากาศพิเศษนะค่ะเปล่าออกข้างนอกข้างถนนเลยแล้วคนเดินชอปปิ้งเดินเข้าเป็นชิลเลยค่ะไม่อยู่ข้างนอกวันหลังเตาแมาจากห้องห้องส่วมสิอ่ะมันเป่ากจากห้องส่วมบงเลยนี่เกือ แต่แมเวลามันฉี่ออกมาทะไมไม่ดมเนยอุดจมูกกันก็สมาธิดีนะคุณหลวงาง้อไหแล้วถูกกิเลนหลอกนะเราก็หอมนี่หอมพอฉียออกมาก็เม้น มันมาจากไหนมันไม่มาจากให้ของที่หอมที่เราเดือดร้อนพวกอะไรเลยใช่ไห ม, อ, มอย่างเงี้ยแล้ต่อไปไม่มีกาแฟก็ไม่เดือดรอนไฟดับไม่มีน้ําตบน้ําก็ไม่เดือดร้อนสบายไม่ต้องไปทากาแฟไปซื้อกาแฟให้เหนื่อยยาก อนนั้ยกตัวอย่างตัวเดียวตัวอื่นก็ควรจะเลิกหมดเลิกได้หมดไม่ตายหรอกยิ่งเลิกได้มากเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งสบายยิ่งเบาภาระความกดดันทางจิตใจจะน้อยลงไปเรื่อยๆจะเป็นอิสระมากขึ้นถาเราทำทำมากๆเลยนะเดทาตามกังวันเนี่ยนะไปแล้วหกชั่วโมง เ, นะเอีอ่ยคือว่า ของที่ซื้อมาใส่ตู้เย็นว่าจะทานก็เลยเน่าหมดเลย哈เพราะว่าเจ้าของไม่มีเวลาจะไปทำก็เวลาคขานั่งก็อย่าซื้อมาเลยเขาจะต้องมีซื้อใช่ไหมอ่าซื้อมาทําไมซื้อให้แต่คนหนึ่งเขาซื้อให้คนที่คนที่เขากินเห็นแล้วไม่กินเราก็อยากซื้อมาเลยอเ่าซื้ออ่อ่าแล้วก็ปรับถ้าเราไม่กินเราซื้อมาทําไมล่ะ ที่ซื้อมาให้กินแต่เมื่อเราไม่กินเราก็อย่าซื้อมาเช่นถ้าเราไม่ดื่มกาแฟเราก็ไม่ต้องซื้อกาแฟมาถ้าจะซื้อก็ซื้อให้คนที่เขาดื่มกินไปแต่เราไม่ดื่มเราก็ไม่ต้องดื่มไม่ต้องซื้อสสําหรับของเราตอนต่อไปเงินเหลือเฟื่องเลยไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรเอาไปทําบุญดีกว่าเราจะมีความสุข ท, ทําบุญทีไรก็มีความสุขอ่า คนอื่นก็มีความสุขจากการกระทําของเราเราก็มีความสุขไปแต่ความสุขจากการทําบุญมาสู้จากความสุขจากการละความอยากไม่ได้ในตัวนี้สุดยอดของความสุขก็คือการสละการเลิกความอยากได้นั่งสมาธิก็ยังเป็นลองความสุขที่ได้จากการเลิกความอยากละความอยากแต่แล้วนั่งสมาธิก็ละชั่วข่าวกดมันไว้ การนั่งสมาธิความอยากก็ถูกกดเอาไว้แต่พอออกจากสมาธิพักพูดไปเปิดตู้เย็นเลยความอยากออกมาแล้วถ้าเปิดตู้เย็นมันไม่มีอะไรเลยก็ดีก็ไม่ต้องเปิดนะดถ้ามันถ้ามันเลือกความอยากได้มันก็ไม่ต้องไปเปิดตู้เย็นไม่ต้องมีตู้เย็นเนยะมันก็บิกจากตู้เย็นไป <c oughs> นก็เก็บไว้เกะกะทำไมเมืม่อไม่มีอะไรต้องเก็บละไม่ต้องใช้มันแล้วต่อไปยังไม่ต้องมีอะไรจะอยู่แบบพระได้ มีสมบัติแค่สองมีเสื้อผ้าสักสองสามชุดก็พอเนี่ยมีชุดนี้สักสามชุดก็พอแล้วอ่าสามชุดชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไวส้ไวสำรองเผื่อซักว่าไม่แห้งเลือกขาดนี่มีสามชุดก็พอตอนนี้มีมีคนจะวิจารณ์นะคะพวกเขาดำเนี่ยนะคะเวลาไปนั่งดูกันที่ล้านอเขาบอกว่าพวกเร้านนี้เป็นกลุ่มที่ กำลังวางแผนอะไรสักอย่างไม่ค่อยเห็นน ะ, ะต้องใส่เหมือนกันเหมือนกับพี่จีน้ะมาต้องไปบอกทีว่าพวกที่วิจารณ์บอกว่ากเราไปมหาวิทยาลัยนะฮะเป็นป น, นายอ ะ, ะมหาวิทยาลัยวิทยาลัยทางจิตนะคะพีอันนี้เป็น spiritual university นะคะที่สามมา ก็เรื่องของเขาเขากับเราเป็นคนละเรื่องกันพูดกันคนละภาษาพูดกันคนละเรื่องก็่หวก็พูดไปเรื่องของเขาเรื่องของเราเราก็ทำของเราไปเดี๋ยวกาจะกลับแล้วใช่ไหยเดี๋ยวให้พรก่อนนะรับพรก่อนอะยะทาวาวฤวาหาปุราปาริปุเรนติสากาัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรัสยาธาไมณิโชติรัสอยาธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตาายยสุขีทีขายุโกผวะอาพิวาธนสีลิะนิจังวุทาปจายโนจตารธรมมวะฏัานติอายุวันสุขังพาลาง โซลังมาดียังได้มีเพื่อนคุยมิฉนั้คนเดียไม่มีในครกล้าคุยเลยคุณคุณโซลัง ใ, ใจกล้าคนเดียวไม่กลัวไม่ไอายอายนะคะไม่ได้ความรู้นัญนว่าเวลาเรียนนี่ <c oughs> คงจะถามอาจารย์บ่อยทีย่สุดเลาายถามไม่หยุดเลยรงบ่อยๆคอยกระชีสแบบนงคะ ไม่สมแบบอ่ะาอย่างนึงคือเราตัดความอยากเลนิดนิดนอนอการสมาธิสมาธิไม่มีอยากนะคะเออเวลาออกมาต้องหยุดมันอันนี้เราก็ทำเรื่อยๆจนเราเก่งละคือว่านี่้ไม่เอานี่ต้องไม่เอาไปจนมันเหลือนิดเดียวอ่ะเรือว่าจุดหนึ่งนี้ ก็ให้มันเลือดูนไปเลยพอซูนแล้วเนี่ยอแล้วมีอยากอื้อให้ละอีกมาละร่างกายต่อมาละร่างกายของเราละความเจ็บควาคันของเราอ่าแล้วก็ไปละอารมณ์ต่างๆเนี่ยเรายังมีความติดอยู่กับอารมณ์อยากจะให้อารมณ์ดีอย่างเดียวพออารมณ์ไม่ดีก็โชคเอกแล้วเราไม่ต้องอยู่กับอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์เสียก็ได้ อยู่กับความโลภ ก, ก็ได้อยู่ความโกรธก็ได้กินเขาปัญหาของจิตต่างๆนี่แนล ะ, ะเาก็พยายามปรับถ้าเราเฉยๆเนี่ยมันก็ไปของมันเองแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันนะสักวันนี้งเราก็บริ้มากได้เราก็สบายกับทุกอย่างใสแจ๋วเลยถ้าเราไม่มีอะไรกับใครทั้งนั้นเราปล่อยวางได้ทุกอย่างรับได้รู้ได้ปล่อยได้<ะ> ไม่ไปไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเขาเป็นอย่างนี้ก็ให้เขาเป็นอย่างนี้ไปตอนนี้เรายังอยากใช้เขาเป็นอย่างอื่นเนื้อเขาเป็นอย่างนี้ก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นกล้วยก็อยากใช้เขาเป็นสับปะรดเนี่ยพอเขาไม่เป็นสับปะรดเราก็โกรธและเสียใจเพราะเราไม่เห็นความจริงว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้เราจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นได้ยังไงขใจ ก็ลดความอยากไงอย่าไปอยากเสยอย่างมันก็ไม่ต้องทำใจอย่าไปอยากก็เป็นอย่างอื่นไงเขาจะเป็นไงก็ปล่อยเขาปล่อยเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเขาทำไมเราไม่เดือดร้อนพอตอนนี้มารู้จักเขาแล้วต้องเดือดร้อนพอรู้จักเขามาครอบครองว่าเขาเป็นของเราแล้วทีนี้เขาต้องทำตามที่เราอยากอะไรเมื่อก่อนนี้เราไม่มองไม่เห็นเห็นแต่ของดี แต่เขาก็โชว์แต่ของดีเราก็โชว์แต่ของดีเราลองแล้วคือเรอยู่กันไปเขาไม่ดีมันก็ค่อยๆอยออกมาเอามาเอามาอยู่เท่านานนี่ก็อยู่กับแม่ตัวเองอนี่ก็ดาราดังอยู่กขนาดสิบสองปีก็เบื่อล้วพอแล้วเขาไม่ดีเห็นเยอะอล้ มันอก่อนเห็นแต่ของดีก่อนต่างคนต่างอายกันต่างคนต่างเรียบร้อยกันไปอยู่กันไปนานๆก็เกิดเอาวมึงกลัวสิ <c oughs> ดาที่เราเรียนเ ร, เรียนจากคาสอนของพระพุทธเจ้าและ อ, อาจารย์เทพไร้นะก็เข้าไปเข้ามันจะเข้าไปทังจุดจุดที่แบบหมดทุกข์เนี่ย หมดยากไงหมดยากก็หมดทุกข์หมดเลยเออะหายยากหมอเขาต้องทำคืออนนี้ก็หลายปีมาก็ไม่แน่หล่ะบางคนเจ็ดวันก็ได้บางคนเจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีโยมก็สาวน้อยแล้วสาว้อยน่ะก็พยายามอะถ้าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อะต้องไปอ่าการตายมันไม่มีใครบรรลับประกันได้ บริษัทประกันชีวิตเขาไม่ได้ประกันชีวิตนะเขาประกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิตนะแต่ก็ไม่สามารถประกันว่าอ้ถ้าซื้อประกันบริษัทชั้นแล้วเธอจะอยู่ไปถึงอายุร้อยปีนี่ไม่มีเนี่ยเขาไม่ได้ประกันแบบนั้นแต่ไม่คิดว่าซื้อประกันชีวิตแล้วจะได้อยู่ไปถึงร้อยปีมีไม่มีใครมาประกันชีวิตได้เพราะชีวิตเป็นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างยัง ใครคิดแต่ว่าเราอาจจะตายวันนี้ถ้ากินอย่างนี้แนละ้วมันจะไดร้รีบจัดการกับเรื่องต่างๆที่ค้าง้างแว้มันเสร็จๆไปสมบัติเอนนะอไม่ต้องให้ก็ได้ก็ <laughs> เก็บไว้ใช้ไง <laughs> ถ้าแต่เวลาจะไปก็ไม่สนใจ <laughs> ขายยาวก็เอาไปเ <laughs> ออแต่ต้องเก็บไว้ก็ต้องเก็บไว้ไม่ต้องให้หรอกแต่อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวงอย่าไปห่วงมนะันนั่นเอง เวลาไปก็เป็นของคนอื่นไปทำพินายกรรมในใจว่าเป็นของยกให้คนอื่นไปเพราะยกไม่ยกก็ต้องยกอยู่ดีเวลาไปก็ยาวไปก็ไป my, my friend at the back Yes y e just asked me a question I think he's a bit shy Back <laughs> back <laughs> uh. He said he's got a he has a bad back. He's h e got a curved spine, uh -huh. and uh, he says can't, he can't sit down, cross legged, and meditate. Okay. And he said you he can sit. You n t e sit. You can do h e m i t a i you can you can sit in any any position you like, mm -hmm. any comfortable position you like. But he was saying you've got to sit in his cross leg because. Of, oh, this is this for the professionals. See. แต่ส้หรับอเบื้องต้นั่งขัดสม่จรไปานต้องใด้ เ อ, อเรายังไม่เลือกนั่งนะอาจารย์แต่ว่าพึเพื่อ น, นเขานั่งสมาธิ a d v า n c e ละแล้วแล้วก็เขาชวน อ, อชวนเรานั่งแล้วเราอยากจะเรียนจากเขาแต่เขาบอกว่าเ อ, อมั น, ม น, มนไ ม, ไม่ไม่ทันแล้วคือตอนนี้ต้องมาเรียนนั่งแล้วเขาสอนไม่เป็นไงเขาสอนไม่เป็นเขาสอนเราทัน่ยถ้ายังหายใจได้ก็ยังทําอยู่ <c oughs> อืม ถ้ายังมีลมหายใจยังยังนั่งได้ก็นั่งนั่นก็สั่นตึงของเรานี่จะสั่นหลังงอเอาไม่เป็นไรไม่เกี่ยวนอนนอนนั่งก็นอนสมาธิก็ได้อคนคนป่วยนี่นั่งไม่ได้กนะ็นอนสมาธิก็ได้เพียงแต่ว่าถ้านอนนัมันจะหลับได้มากกว่าทท่านั้นเองระวังนอนกับนั่งนั่งมันจะดีกว่านอนแต่ถ้าถ้านั่งไม่ได้นอนก็ยังดีกว่าดีกว่า ดีกว่านอนแล้วใจไม่สงบพรุนร้างนอนแล้วใจสงบหลับไปก็ยังดีจะได้ไม่ทุกข์ทรมานคือเราเข้าใจว่าพลังในร่างกายมันจะตําจุดของสันังกะระดูกแล้วก็จะมีจุดมันก็จุดฝังเข็มอ่ะเขจะถ้าเรานั่งแต่แล้วจัดนั่งแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็เขาจะพลังจะวิ่งสะลุ ก, กันอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่ามีความสุข อ, อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เรานั่งสมาธิไม่ได้ไปยุ่งกับร่งางกายเรานั่งเพื่อทําใจให้หยุดคิด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 นั่งดูทีวีได้นั่งดูได้ไหมแล้วก็นั่งแบบนั้นแ่ะเออก็นั่งแบบนั้นนั่งดูหนังสองชั่วโมงนั่งได้ก็นั่งสมาธิสองชั่วโมงก็ได้อพอมันจะนั่งมันมีปัญหาทันทีถ้านั่งถ้านั่งสมาธินี่กิเลตมันจะมีเรื่องขึ้นมาให้ไม่ให้นั่งทันทีแต่ถ้านั่งดูหนังนั่งดูคอนเสิร์ตนั่งดูอะไรนี่นั่งดูเป็นชั่วโมงก็ดูได้ ออหมมนั่งได้ถ้านั่งดูหนังได้ก็นั่งสมาธิได้มันไม่ต่างกันเองแนว่าทางจะดูดูหนังได้ดูลมแทนเท่านั้นเองดูหนังก็ได้แต่อย่าไปดูหนังในจอดูหนังที่ไม่อยู่ในตัวเรานี่ นั่งดูหนังนะหนังตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าเนี่ยเป็นหนังทั้งนั้นนั่งดูร่างกายดูอาการสาสิบสองก็ได้ดูผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูแบบนี้ใจก็สงบได้แต่ผมความเพิ่มต้องมีจะมีต้องมีหลายวิธีครับคือต้องมีเป็นการทำจิตให้สงบแล้วก็จะมีพิธีฝึกไง ถ้าถ้ามีวิธีที่ถูกต้องแล้วเขาจะจะได้ก้าหน้าได้เดียวแล้วก็มีความสุขแล้วก็ใจเย็นแล้วแล้วจะจะไปจะไปรู้สึกอย่างที่เขารู้สึกอะเาบอกว่ามีความสุขมากอ่อก็ใช่ก็ต้องต้องรู้จักวิธีที่ถูกต้องวิธีถูกต้องก็คืออย่าคิดไงให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปให้ท่องพุทโธไปภายในใจเวลานั่งอย่าไปคิดอะไร พอไม่คิดอะไรอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวใจก็นิ่งสงบก็มีความสุขขึ้นมาปัญหาคือมัไม่ยอมอยู่กับพุโทโธมันพอพุโทโธได้สองคำก็ไปแล้ว๋ยวไป ค, คิดเรื่องนั้นคะิดเรื่องนี้แล้วต้องลองให้อยู่กับพุโทโธดูเลยอะลอ ง, ลอ ง, ลอ ง, ลองนั่งลองเนี้ยเอาสักสองนาทีก็ได้ลองหลับตาแล้วท่านพุโทโธสองนาทีดูจะอยู่กับพุโทโธได้สองนาทีหรือเปล่า อลองดูเลยสองนาทีหออย่าอยู่กับพุโทโธเรื่องเดียวได้เปอ่าสองนาทีแล้วเป็นไงดีไหมเพลงสองนาทีก็ดีกว่าไม่ได้นั่งเลยใช่ั้ยหยุดคิดสักสองนาทีนี่ก็เบาขึ้นไปเยอ ะ, อะคิดหรือเปล่าคิดเรื่องอื่นหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็อยู่กับพุทโธอย่างเดียวเนี่ยพยายามอยู่กับพุทโธโดยอย่างเดียวเงี้ยน้วก็จะสบายไม่ต้องออกเสียงท่องพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วมันไม่คิดอะไรในใจมันก็จะเบาจะสบายถ้าไม่คิดอะไรเลยต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็ตกลุมตกบ่อลงไปวุบลงไปเลยแล้เท่านี้ก็ไม่ต้องพุทโธแล้วมันจะเฉยแล้วมันจะอยู่เฉยมันจะไม่คิดอะไรแล้วไม่ต้องบังคับมันแล้ว ที่ใช้พูดโธเพื่อหยุดบังคําให้มันมันมันคิดพอมันหยุดคิดพุดโทโธก็ไม่ต้องใช้เหมือนรถเวลาถ้าจอดรถแล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกเวลารถวิง่งเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกไห้เบรกให้มั น, ยมนยหยุดวิ่งพอมันหยุดเบรกหยุดวิ่งแล้วเราก็ปล่อยเบรกได้แล้วอีกั น, นที่เข้ามาเท่าไหร่นะไปหายไปเป็นไง เป็พะ ข, ของเราต้นทางเขาบอกว่าไปแั้ เ, เ, เลยอันนี้เข้าได้น้อย เ, เลยเข้าช้าเลยเใครลองเข้าตรงนี้ดูหน่อยได้ไห ม, ไมใครใครมีลองลองเข้าดูว่าลรงตรงนี้เข้าได้ยากยังไงพระอาจารย์สุชาติเนี่ย ทดสอบดูหน่อยแต่ก็มีคำถามเข้ามาอยู่ใช่้ยมมีไหมแล้ว u t u b e เข้าง่ายกว่าไหมไ่้ได้อยู่แบบตอนนี้หาคนออเห็นใครเข้า a ฟ e b o o k ไม่ได้ก็ลองเข้า YouTube ดู YouTube ง่ายกว่าเดี๋ยวลองดูตรงนี้เลยเดี๋คนยูทบไม่ขึ้นเลยเหรออ๋อไม่มีเลยนะอ๋อแต่ของเรามีอยู่อ่ะ ใช้พกเก็บไวไฟหรอคะอ่ายังใช้ได้อยู่อ่าก็ลองถักลองถัดตอบคำถามไปเลยคื <T> <S <S อคำถามจากเฟ e บุ๊กคำถามจากคุณไก่เมื่อความคิดเกิดขึ้นขณะ ใ, ใดๆควรภาวนาเพื่อให้หยุดคิดหรือดูความคิดที่เกิดขึ้นจนดับไปเอง มันไม่ดับหรอกความคิดมันตั้งแต่ตื่นมามันเคยดับไปเองไหมมันไม่ดับหรอกถ้าดับได้ก็ต้องใช้สติใช้พุทโธหยุดมันเท่านั้นครับดูมันมันก็ยิ่งคิดไปเรื่อยๆใไปตามดูมันนี่ไม่ได้ไม่ได้ไปหยุดมันดูรถยนต์ให้มันไหลไปเรื่อยๆย่เงี้ยมันรถยนต์เวลามันวาดไหลี่เราเราไปดูมันแล้วมันจะหยุดไ้มมันไม่หยุดหรอกเราต้องไปเหยียบเบรกแล้วมันถึงจะหยุดความคิดเราก็เหมือนรถยนต์่ะ ถ้าเราไม่มีเบรกมันก็ไม่หยุดคิดหรอกถ้าเราต้องการหยุดคิดเราก็ต้องเหยียบเบรกเนี่ยวิธีเหยียบเบรกก็คือใช้พุทธโทพุทธโทนี้ไปอันนี้เข้าได้เลยเข้าอะไรเข้า YouTube แล้วเข้า Facebook อ่าอันนี้ c ป b o ดูเข้าได้้องเข้า YouTube ได้ไหมภาสุชาติไลฟ์ลองเข้า Android เข้าได้ แอปเปิลก็ไม่ได้เดก็เข้าไม่ได้ไไดเห็เนขายใช้แอปเปิลก็ใช้ไม่ได้นอนี้ใช่ไหมถามต่อคำถามจักลุณกันขณะนั่งสมาธิจะปวดเมื่อยหรือเหน็ดชาเกิดขึ้นเราควรนั่งต่อไปเพื่อพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นต่อไป ให้ถึงที่สุดว่ามันจะจบลงตรงไหนใช่ไหมครับคือถ้าเราเริ่มต้นนั่งนี้เราอย่าไปพิจารณาเดี๋ยเพราะเราไม่รู้สงทีกิดนในวิกที่จะนไ อ, อ, อย่าไปสนใจให้เรามาพุทโธพุทโธไปภาวนาต่อไปอย่าสนใจปรหาดเรียนาก็าจะเกิดความอยากให้เร า, าไปต่อประมาณใจ ก็ไม่สามารถคิดคิดอะไรให้ถูตกต่างๆยังต้องใช้วิธีต่อตู้ตัไเวชกาลังลูกจ้งให้อยู่กับผู้โตพู้โตไ ป, ตตตปแล้วติตใกัจะเป็นร่ั เราอยู่น้างละองององสองสองอแม่สองันสอคนสองคยสอถ้าเราอยากจะทาตามใจเถ้าเราอยากจะตามใจแม่ก็ยกให้แม่ใแม่ตัดสินใจเอาแม่จะดูเลือกจะทำอะไรก็เลือกของแม่ หลับเราวันไหนก็ได้ถ้าเราเชื่อในหลักของเลือกสะดวกเขีนยนเลิกสะดวกก็คือถ้าทุกฝ่ายโอเคก็นั่นนั่นแหละถ้าแม่โอเคเงินโอเคเออทุกอย่างโอเคก็ทําไปเลยแต่ตอนนี้เรายังยอมแบบไม่ยอมเต็มที่ยอมแบบเกรงใจแต่ยังไม่ยอมแบบเต็มใจให้เรายอมเต็มใจเพื่อให้แม่มีความสุขเอาให้แม่ตัดสินใจเลย แมจะรอเลือกวันไหนวันนั้นวันนี้ก็เอาไปเลยมันไม่สําคัญหรอกจะสร้างตามเลือกหรือไม่สร้างตามเลืิกไอ้ที่เราไม่สบายใจหนึ่งอาจจะเพราะว่าเราเห็นว่าแม่หลงไม่อยากให้แม่หลงแล้วก็จะทําให้เราไม่สบายใจไนดะ้คือแม่ยังไปหลงเรื่องเลิกเรื่องยางอยู่ไม่เหมือนเราเราเชื่อในพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อในกฎแห่งกรรมเราเชื่อในหลักของเหตุผลแต่ถ้าแม่เขาไม่เชื่อ เราก็เลยอาจจะไม่สบายใจเพราะเหตุ น, นี้ก็ได้แม้เราก็ต้องปล่อยให้แม่เขาเชื่อไปเพราะว่าเขายังตาบอดอยู่เขายังมองเขาวังเขายังไม่มีปัญญาก็ถ้าเรา <S <S ถ้าเราไปอยากให้เขาเห็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเราก็จะทุกข์เราก็จะไม่สบายใจเพราะแม่เขาไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นเพราะเขายังตาบอดอยู่อันนี้ก็จะทําให้เราสบายใจขึ้นคํถาถามจ จุนระยะนี้เวลาเดินจงกรมจะง่วงนอนส่วนเวลาฝึกนั่งเฉยๆนั่งได้แป๊บเดียวจะง่วงนอนควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะควรลดอาหารลงก่อน<笑><笑>อย่า ก, กินมากกินมื้อเดียวถ้ากินหลายมื้อมันก็ง่วงเลยคำถามจาก f เฟซบ o ๊กจากคุณพอเทพพระอริยะเจ้ายังมีอาการตกใจไหมครับ ไม่รู้ต้องไปถามท่านดูไม่เป็นไรอาจารย์ได้ไม่เป็นไรเราบอกให้คนที่เข้า Facebook ไม่ได้น้องเข้า YouTube ดูออกแต่เขาก็คงจะไม่เขาคงจะไม่รู้นะแล้วเลิฟดัมมาเป็นไงเข้าได้ปะ่ะให้เสียงเข้าได้ปะ่ะวเลิฟดัมะ com ไม่โอเ ถ้าใครเข้า Facebook ไม่ได้ก็ลองเข้าวิทย e ุทำเสียงธรรมก็ได้นะเข้าไปที่เลิฟดัมมะดอแล้วก็จะมีที่ให้คลิกเปิดฟังได้การนิจจานะทุกอย่างในโลกนี้ก็อย่างนี้บางวันก็ทะลื่นบางวันก็ เร่อกัเนเาคจะรนทไม่มีปัญหาเลยบต้องกลับมาหาคนะลางต่อคนกลางนี่เป็นคนตัวฟิล ก็ถ้ายังไม่ได้ก็เอาพุทโธก่อนเอาคําบริกรรมก่อนเอาคำบริกรรมเพราะอันี่จะคิดได้ต้องซ้อมคิดไว้ก่อนแล้วเวลาถึงเวลาเราถึงจะมาสอนใจบอกว่าไอ้ที่เจ็บมันคือร่างกายนะแล้วร่างกายมันไม่เดือดร้อนเราไปเดือดร้อนแทนมันทําไมเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้เราเกิดใจผู้คิดเราอย่าไปคิดเดือดร้อนแทนร่างกายสิ เราคิดปล่อยให้ร่างกายมันเป็นเนื้อร่างกายเขาไม่เห็นเดือดร้อนกระดูกเขาไม่เห็นเดือดร้อนแม้กระทั่งเวลาตายเอากระดูกไปไปเผาไปฝังเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราไปเดือดร้อนแทนเขาเองแล้วอย่าไปยุ่งกับเขาสิต้องสอนใจพูดกับใจอย่างนี้ถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ได้ก็กลับมาพุโทโธพุโทโธไปก่อนมใช้สองอย่างสลับกันก็ได้ช่วยกันก็ได้ ถ้าสอนแล้วมันยังไม่ยอมก็เอาพุโทโธพุโทโธอัดเข้าไปก่อ น, น อ, อ, ยอย่าให้ไปคิดถึงมันอย่าไปอยากให้มันหาย <ใน S 1> ตอนต้ น, นอรรรตอนนี้นมีปัญหามากๆที่แกเล่าให้ฟังที่คันมนนนากๆเอยเพราะ<อ>าว่าโชคดีที่มันหายค่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่หายเนี่ยไม่หายก็เกาเลยไม่หายก็เกาเลยชะก็แขว่งแขนไที่สุดก็คือป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 ก็ยังทําไม่ถึงที่ไงพอเจอมันก็พยายามจะหนีมันเจอมันต้องอยู่กับมันสิอ่ะมาแล้วเลยเอามาก็มาเ <c oughs> ออมันก็คันอะรู้สิว่าจะเป็นยังไงใครคันกันหน้าถามดูเลยเราคันเรื่องร่างกายคันร่างกายคันร่างกายเขาเดือดร้อนไหมเขาเก่าไหมก็อยู่ดีๆเขาไปเก่าของเขาเองไหมร่างกายก็ไม่ได้เก่าเองเราไปเก่าแทนร่างกายเอราเผื่อแทน งหมอผิวหนังนี่นี่หมอผิวหนังเนี่ย <c oughs> เบนะีย <c oughs> นเนยเคยวทนามีเวิทยาล้วก็ดูลมนะคะปกตินั่งดูลมแต่วิทยาอาจจะไม่รแรงเหมอเอ่าเราพออยู่ได้ดูลมแล้วมันบางทีมันก็ฟูงก็เลยไปดูที่ความเจ็บแทนอะคือก็ออดูว่ามันปวดตรงไหนตำไหน่งที่ปวดแล้วก็พอดูไปเรื่อยเรมันก็ปวด มันปวดไม่สม่ำเสมออ่าปวดมันยุบยุบเยีบเยียบเออมันคือมันแรงแรงแล้วก็แผ่วแล้วก็แรงเพราะเห็นมันไม่คงที่เพราะเห็นมันไม่คงที่มันก็เลิกสนใจอ่ารมาลงอ่ะก็ไม่ยุ่งกับมันไปมันได้ใช่ไปไก็คือดูดูมันคือบางทีเราคิดว่าเราไม่กล้าดูมันแต่จริงดูมันไปตรงตมันก็ไม่น่ากลัวตรงไหนอ่มันก็แค่นั้น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 มันคันก็นี้ก็ดูมันได้แล้วไปกลัวมันทําไมไปให้มันหายทำไมเมื่อเราดูมันได้อยู่กับมันได้ก็อยู่กับมันไปแล้วก็มาดูลมต่อแล้วก็มาพูดโธของเราต่อไปปล่อยมันให้คันไปพุทโธนี่มีประโยชน์มากอ่ะตอนที่มันเกิดมาคันเนี่ยนเพราะว่าเวลาเรานั่งฮะก็ยังสู้ต่อนี้รู้ว่ามันเป็นเรื่องนั่งพอพอพอเริ่มสงบเน้นก็ใช้เวลาไม่นานนะอ พอเริ่มมือเบาเริ่มเริ่มเริ่มที่แบบว่ามันเหมือนชาต่อแบบไม่รู้เรื่องแล้นะมันแขนขาไม่มีอะไรอย่งนี้ยเขาไม่มายุ่งเลยห่ะงนั่งไปเหอะห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเพอพะพุทโธแท้ๆเะยนอพุทโธนะ น, นั่นมาทําให้จิตนิ่งนะแล้วจิตนี่ไม่รู้เรื่องอะไรไม่อยากทราบเลยว่าอใครจะเจ็บจะอะไรที่ไหนอ มาคันเนี่ยก็ตรงที่แล้วเลิกทาแล้วเดินไปเดินมาก็ไ่พูดโธต่อเนี่ยเวลาคันนะของดีไม่ใช่ไปใช้ความอยากแทนก็แล้ยิ่งทรมานย์ใหญ่อยากให้มันไม่คันก็ยิ่งทรมารใหญ่ตรง่นั่งเนี่ยเก่งมากเลยถ้าใจพูดโธมันก็จะอยู่กับมันได้เราเข็มฉีดยาใช่ไหช่เยตายไม่ใช่ล่ะขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยเหนื่อย มันมีผลนะฮะว่ามันทำให้เหนื่อยอ่ะมีผลทำไมไม่ใช้หรอมาบอกคนอื่นแล้ทำไมตัวเองถึงวเวลาจะใช้ก็ไม่ใช้มีม่นนั ว, <laughs> วน <laughs> แล้วน่เหนื่อยาหนอัน อ, uh, อันอันันอนอันออนอันอันนอันนออันอันอออันอันอันอออันอันอ n นอันอันอันอันอันอันอ a นอันอันอันอันอันอันอันอ o นอันอ t นอันออันอันอันอั b u d d h ันอ And Alan uh, said to him, "You know, all this m e d i t a t i n When y o u when you're younger, you ask all these questions. u and what his answer was, go with the flow. Uh -huh. That's all he used to say. Yeah. I used to say to him, w oh, what about this one?' He said, 'Go with the flow.'" Uh -huh. uh, Leave everything alone. Yeah, a lot of people take things too serious. Yeah. You see. Mm. Just go with the flow. Mm. If you fall asleep, meditation. Mm. Wake up. Try again. Go with the flow. Mm. Uh, and mm. I, I stuck with me for a long, long time. And when when you were just talking now, I thought, well, you've just come back to me all them years ago. I'm talking about 1960s. 60s. Uh, I thought, yeah, Ray, go with the flow. Yeah. Let everything be. Let it go. Yeah. Let it go. Mm. I think one of the one of the old one of the old mm. one of the old. Ha ha ha ha ha ha. m u s open the o l d o e o h e l One of the old, one of the old, mm. one of the old i n mm. In a long time, ago. Uh -huh. somebody asked him, "What do you do?" And he just said, oh, "Put o oh, put o oh. put o put." I've been trying that, and you know it's not working. So, try again. Pup, oh, put o oh, put o put o put. Go with the f l o r Yeah, leave everything alone. Don't try to manage don't, them. Don't try. Yeah. Uh, uh, everything rises and ceases. Everything comes and goes. You know, don't try to stop it. You know, grow with it. Somebody say, "Blowing in the wind." Yeah. But it is easier said than done. That's a problem. When the thing happens, we don't go along with it. <laughs> we resist. When we get sick, we want to get well. <laughs> When we run out of beer, we want to go to the Seven <laughs> Eleven. We don't. We don't go with the flow. Go without beer. <laughs> it's easier to say, but in practice, it's not easy. When you run out something, you, you you you you don't go with that. You you go look after. You get some more with you. มาอีกไหมมคำาถามจากคุณพวชัยผมตั้งใจนับถือพระพุทธธรรมระสง์จะไม่นับถืออย่างอื่น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 ที่เราไม่ไปเชื่อเรื่องราวต่างๆ ท, าาที่ไร้สาระที่ไม่มีเหตุมีผลมันก็จะทำให้เราเลิกไปเองต่อไปคําำถามจากคุณสิริวันสีนข้อสามคืออัครจริยาคือสีรักษาเรื่องใดคะอันนี้สำหรับผู้ที่ถือสีแปดคืออัค ร, รจริยาก็คือ เราจะละเว้นจากการประพฤติที่ไม่ไม่ใช่เป็นของพรหมอะแปลว่าไม่พรหมแปลว่าพรหมไงพรหมนี่เขาไม่เสพกามเขาไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับใครอ่ะพรหมจริยาก็คือการการเสพกามนี่เองงั้นถ้าเราละเว้นถือศีลข้อนี้เราก็เวฬุมณีละเว้นจากการประพฤติ จิตที่ไม่ใช่ของพรมจิตของพรมก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครถ้าไปร่วมหลับนอนกันก็ถือว่าไม่ได้เป็นพรมถ้าอยากจะเป็นพรมก็ต้องไม่ร่วมหลับนอนให้ไปนั่งสมาธิแทนให้เข้าไปเข้าในรูปฌานอารูปฌานแทนพอเข้ารูปฌานก็จะเป็นพรมขึ้นมาเข้าอารูปฌานได้ก็จะเป็นพรมขึ้นม า, างั้นถ้าผู้ที่อยากจะ ไปเป็นพรหมก็ต้องยุติการเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์พวกเทพพวกมนุษย์นี้ยังเสพกรามอยู่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสยังร่วมหลับนอนกันอยู่แต่ถ้าอยากจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมที่ดีกว่าสูงกว่าความสุขมากกว่าก็ต้องเลิกการเสพเสพกรา ม, มก็ต้องละเว้นการประพฤติ ท, ที่ไม่ใช่เป็นพรหม อ布拉มจาริยานี่คือการประพฤติ ท, ที่ไม่ใช่เป็นพรมพร ม, มก็ไม่ทําอย่างนี้ผมเขาเสพสมาธิแทนผมก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบนี่คือศีลข้อสามของศินแปดแต่ศินข้อสามของศีลห้าก็เป็นการเสพการแต่ให้เสพการแบบถูกต้องประเพณีคือให้มีสามีภรรยาให้เสพกามกับสามีภรรยาของตน ไม่ให้ไปเสกกับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสามีเป็นภรรยากันเพราะนั้นจะลดตำแหน่งลงจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานนี้เขาไม่มีผัวไม่มีเมียเขาเจอใครที่ไหนเขาชอบเขาก็ร่วมเสกกันเหมือนพวกที่อยู่พัทยาใต้นี่ฮะตรงนี้เขาเข้าบาร์เาผับกันฮะพอเข้าไปคนเดียวแต่แล้วออกมาออกมาสองคนเนย เนี่ยไหมตรงนี้ก็กกาลังจะไล่กัดหาหาแฟนกันต้องแย่งแฟนกันอืเดี๋ยวฉาบอ่าในมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาที่รู้ว่าการการเสพการแบบไม่มีคู่นี่มันก็เดี๋ยวนำไปสู่การแก่งแย่งชิงดีฆ่าฟันกันได้แต่ถ้าเรามีคู่ต่างคนมนุษย์ก็จะเคารพสิทธิของกันและกันก็จะไม่ไปยุ่ง สามีหรือภรรยาของผู้อื่นถ้าอยากจะเสกการก็ต้องไปหาสามีหาภรรยาของตนเองมาเสกเรจะเป็นมนุษย์แล้วจะอยู่กันอย่างสันติสุขแต่ถ้าอยู่แบบเดรัจฉานเนี่ยใครตัวใหญ่กว่าเนี่ยก็มาแย่งแฟนเอาไปใช่ไหมใครก็มีกําลังมากกว่าเขาก็มาแย่งแฟนเอาไปได้ถ้าก็อยากจะได้แฟนของเราอันนี้ก็เรียกเป็นพวกเดรัจฉานแต่ถ้าไม่อยากจะไปเป็นเดรัจฉานท่านก็บอกให้ถือศีลข้อสามนี้ไว้ ของศีลห้าหนะก็คืออร拉มจริยาเวระมณีเอไม่ใช่การเมสูมิฉาจาราการประพฤติผิดปร ะ, ประเพณีแต่ถ้าอยากจะไปสูงกว่าเป็นมนุษย์เป็นเทพก็ต้องอ布รมจริยาเวระมณีต่อม า, อออานนะถ้าถ้าเป็นมนุษย์ปฏิบัติแบบของอของพรม จะสามารถหลุดพ้นได้ไหมคะก็ต้องมีหลายอย่างมันมันมันหลุดพ้นด้วยศีลไม่ได้เพียงอย่างเดียวมันเพียงแต่เป็นการฝืนใจบังคับใจห้ามใจไว้เท่านั้นเองถ้าเกิดมันเกิดการอารมณ์แรงๆมันอาจจะจะศีลอาจจะขาดก็ได้แต่ถ้าจะให้หลุดพ้นนี่ต้องมีปัญญามีสมาธิมาเอกทีน มีสมาธิก็จะเห็นว่าความสุขจากการไม่เสพกามนี่ดีกว่าการการไปเสพกามแล้วก็มีปัญญาเห็นว่าการไปเสพกามนี่เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขก็จะเลือกได้อย่างถาวรจะหลุดพ้นได้ต้องเห็นว่าการเสพกามนี่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขนี่คือปัญญาแล้วสมาธิก็จะทําให้เราเห็นว่าการไม่เสพกามนี้การเสพความสงบนี่ดีกว่า เวลาจิตสงบอยู่ในสมาธินี้มีความสุข ก, กว่าการร่วมหลับนอนกับแฟนร่วมหลับนอนกับแฟนก็ชั่วเดี๋ยวเดียวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หายไปละวเดี๋ยวก็ต้องเสพใหม่อีกแล้วเวลาอยากจะเสพไม่ได้เสพก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นด้วยปัญญาก็จะไม่เอาดีกว่าเสพความสงบดีกว่านั่งสมาธิดีกว่าดีกว่ามีแฟน เวลาแฟนไม่อยู่ก็ทุกข์แล้วใช่ไหมเวลาแฟนหนีไปมีแฟนใหม่ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เห <Yeah. S 1> ็นอยากมีแฟนดีกว่าเอยัาง uh huh. อยากจะมีแฟนเยอะกว่า uh huh. มี่คนนี้คนนี้มาตัดมาตัเรื่องแฟนค่ะเออแล้วตัดได้อย่างนี้เหรอ าเบาขึ้นยังอยากจะได้แฟนอยู่เลยยังไม่เห็นว่ามันทุกข์อะไรเงี่ยคนที่อยากจะได้แฟนเนี่ยแสดงว่ายังเห็นไม่ยังไม่เห็นว่ามันทุกข์แต่คนที่เขามีแฟนแล้วส่วนใหญ่เขาเข็ดกันทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าคนเนอาไม่รู้คนไหนคนไหนคนเนอาอยากเข้าคนไหนอยากออกคนมีแล้วก็อยากจะอยา่าไอคนไม่มีก็อยากจะมีแล้วเกิน ก็ม็นสุกมาเกินไอคนมีแล้วก็ไม่เอาดีกว่าไ่ต้องมีเรอตนอนอ่สบาจะตายเลยความอ่าจริงจรนคะผู้หญิงก็ไม่เชื่อหรอกจ็บปากว่าไม่เท่าหนึ่งตายททีเพาเป็นหลายโรคทั้งหมดทงโลกสบาะเลยอได้ได้เอนอ้ ผชายยังไม่ได้แต่งงานแต่มีี่หลายคนแก็ผิดประเพณีใช่หมเหมือนหมาเนี่ยเหมือนหมานี่ยแหละถ้าเนเดี่ะตัได้ตอนนี้แต่อยากจะเป็นมนุษย์ก็จากเป็นมนุษย์ก็ต้องมีสามีมีภรรยาของตนเพจเพอ่าต้อมีหลายคนได้คนเดียวได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ก็ถ้าคนเดียวก็ต้องต้องสงองกันต้องรู้กันทั้งสองฝ่าย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 เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครถ้าเราอยากจะร่วมหลับนอนเราก็จะหลับนอนเฉพาะเราสองคนนี้เท่านั้นเราไม่แต่งงานก็ได้แบบนี้เพียงแต่ว่าการแต่งงานมันเป็นการประกาศให้ถูกต้องประเพณีเื่อคนเข้าใจรู้ว่าคนนี้เขามีครอบครัวแล้วอย่าไปยุ่งกับเขานะอ่าถามต่อคำถามจากคุณกัน ข้อที่หนึ่งความแตกต่างระหว่างสมาธิกับฌานคืออะไรครับอันเดียวกันเน่ยสมาธิกับฌานก็คือความสงบของใจเแต่ว่าสมาธิเราพูดเป็นภาพรวมฌานนี้เขาแยกเป็นขั้นขัเหมือนเกียร์รถเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ของความสงบเข้าเกียร์หนึ่งก็จะวิ่งได้แค่ห้าสิบสามสิบอยากจะเร็วกว่านี้ก็ต้องเข้าเกียร์สองอยากจะเร็วกว่านั้นก็ต้องเข้าเกียร์สามเข้าเกียร์สี่ ฌานก็เหมือนกันอยากจะสงบฌานขั้นแรกก็สงบนิดหน่อยถ้าอยากจะสงบมากงั้นก็เข้าสู่ฌานสองจากฌานสองก็เข้าฌานสามเข้าฌานสี่ไปวิธีเข้าก็คือให้อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นปรอเดียวมันจะเข้าเข้าไปตามลำดับของมันเองต้องถึงฌาน8ดเลยฌานนี้มีแดแบ่งเป็น2ส่วนรูปฌานสี่รูปฌานสี่ เป็นสมาธิเหมือนกันชื่อเรียกเรียกโดยรวมก็เรียกว่าสมาธิถ้าเรียกแยกก็แยกเป็นชานเป็นขั้นขันไปชานหนึ่งชานสองไปข้อที่สองสีข้อสีนอกจากให้พูดปดแล้วพูดสอเสียพูดเทอเจอร์เหลวไหลก็ผิดสีข้อสีนี้ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเข้าใจคาดเคลื่อนในสีข้ออื่นๆด้วยครับอ๋อไม่หรอก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 อันนี้เป็นศีลที่ละเอียดเรื่องศีลที่สูงกว่าการถือศีลข้อไม่พูดปดเพียงข้อเดียวดังนั้นถ้าถ้ายังไม่ถ้าถือศีลห้าศีลแปดแล้วไปพูดเพ้อเจ้านี่ยังไม่ถือว่าผิดศีลนะนอกจากเราจะสมาทานนะั่นเองว่าเราจะไม่พูดเพ้อเจ้าแล้วนะเราจะไม่พูดคําหยาบแล้วนะเราจะไม่พูดส่อเสียดแล้วอันนี้เราก็จะพอเราไปพูดเราก็ถือว่าเราผิดศีลนะ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 ถ้าเรารู้ว่าเราดีใจเสียใจก็แสดงว่าเรามีสติ mm hmm. เวลาเราหลับเราก็จะไม่รู้ว่าเราเราดีใจหรือเสียใจ mm hmm. หมดแล้วเหรออ่าก็ดีอ่าใครอยากจะถามอะไรถามได้นะจะให้จะให้ช่วงสุดท้ายแนละ้วอ่าถามมาจากที่เมื่อกี้คุณพรวชชัยค่า ว่าเขาโตมาในบ้านที่มีความเชื่อที่ผิดเนี่ยคือสมมติว่าเด็กเนี่ยเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าอะไรถูกหรือผิดแต่บ้านเขาผู้หุดสอนมาแบบนั้นอะ่ะแล้วเขาไปทำผิดผิดอย่าเงี้ยเขาจะบาปบาปบาปก็เหมือนเดรัจฉาน <c oughs> เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าเขาผิดอ่ะเขาก็ทําไปเช่นไปอยู่ครอบครัวที่เขาฆ่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่เลี้ยงชีพเนี่ยเขาก็ฆ่าตามพ่อแม่สอนให้ทําแต่ก็ ถ้าบอเขาโตเขาไปได้เรียนความรู้ใหม่เขาก็เปลี่ยนได้แต่บาปที่ทําก็ต้องไปรับผลต่อไปแต่บาปที่ทําจากการไม่รู้นี่มันไม่ร้ายแรงเท่ากับบาปที่ทําด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทหรือทําด้วยความโลภ <c oughs> เพราะว่าทําบาปด้วยความไม่รู้นี่ก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตถ้าทําบาปด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท ก, ก็ไปนรก แั่ก็เนี่ยส่วนหนึ่งถึงพระเจ้าสอนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการได้คบกับคนที่ฉลาดอ่าอันพอเราโตขึ้นถ้าเราอยู่กับคนที่โง่เราก็ต้องไปหาคนฉลาดก็พ่อแม่สอนไม่ได้ก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือกั น, นไงสมัยก่อนก็ส่งไปวัดกันเพราะวัดเป็นที่เรียนหนังสือแต่สมัยนี้ไปส่งไปเรียนที่ไม่มี ไม่มีธรรมะอีกแล้วมันก็สอนให้ไปโงต่ต่อไม่ได้สอนให้ฉลาด mm hmm. ถึงแม้จะมีความรู้แต่เป็นความรู้ที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผิดถูกดีชั่ว mm hmm. เป็นความรู้เกี่ยวกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง mm hmm. ก็ยังอาจจะทําชั่วต่อไปได้โดยไม่รู้สึกตัวดังน mm ั hmm. ้นควรจะไปไปวัดไปวัดไปฟังเทศทางธรรมอย่างที่พวกเรามาฟังกันวันเนี้ย mm hmm. เราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม เอาวันนี้ถามหน่อยว่า น, นี่ได้เรียนรู้อะไรบ้างที่ไม่เคยรู้มาก่อนอา่าหนูมีไหมส่วนใหญ่จะได้ยินได้ฟังมาอ่าเพราะหนูเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วอ่าก็ที่อยากจะถามเพราะว่าพอดีโยมเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องบารมีคุณโทษอะไรแต่เขก็เป็นคนดีคือเขาไม่โกงคนอื่นแต่แต่เขาจะไม่เข้าใจถึง ลึกๆแกนะอย่างเช่นเขาถามแล้วว่าคนที่ฆ่าเป็ดฆ่าไกา่หรืออยู่ลงฆ่าสัตว์นี่บาปแต่ว่าคนที่จ่ายเงินไปซื้อหมูเพื่อที่จะมาทําบุญให้พ้ากับได้บุญแล้วทีนี้คนที่เขาอุตส่าห์เลี้ยงหมูมาเนี่ยเขาจะไม่ได้บุญเลยเหรอเพราะว่าเขาสร้างอาหารให้กั บ, กบสังคมใช่แต่เขาฆ่าไงก็ เ, เป็นคนฆ่านคนที่คนที่ไปซื้อเขาไม่ได้ฆ่าไงที่เขา ที่เขาฆ่าเพราะเขาต้องการเงินไง yeah. Yeah. แต่คนที่ไปซื้อคนไปซื้อของที่ตายแล้วมาทำบุญนี่เขาเสียเงินนะ uh huh. เขาก็เลยได้บุญได้บุญตรงที่เขาเสียเงินแต่คนที่ฆ่านี่บาปเพราะไปฆ่าแล้วก็ได้เงินจากการที่ไปฆ่า <Yeah. S 1> มันต่างกันตรงนั้นเขามองไม่เห็นไงเขามองไม่เป็นคิดไม่เป็นแต่ก <Yeah. S 2> uh ็อาจารย์ที่เป็น เสื้อก็ไม่มีคุณค่ามีมคุณค่าเขาก็ต้องกินไม่ใช่เหรอถ้าเขาขายไม่ได้เขาก็ต้องค่ากินของเขาอยู่นั่นแหละใช่ไหมเขาก็อยากรวยด้วยแต่บางทีเขาไม่อยากรวยแต่เขาอยากเขาต้องไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ต้องเอาเอาเงินที่เอาเอาเป็ดไก่ไปแลกกันทํำไมก่อนไม่มีซื้อขายเขาก็เอาเป็ดไก่ที่เขามีไปค่าแล้วเขาก็ไปแลกเสื้อผ้าไปแลกข้าวไปแลกอะไรก็แลกกันไปแลกกันมา ไม่มีใครบังคับให้คุณทำอาชีพอย่างนี้นี่คนททำของคุณเองใช่ไหมอาชีพอื่นคุณก็ทำได้นี่ที่ที่ทำพราะคิดว่าไม่มีโทษไงคิดว่าไม่บาปก็เลยทำกันถ้ารู้ก็ไม่อยากจะทำกันแล้อีกคำถามหนึ่งที่ที่สอบถามมาแล้วหนูสอบเขาไม่ได้คือถ้าทุกคนไปนั่งสมาธิหมดก็ไม่มีใครทำงานก็ไม่มีอาชีพก็ไม่มีใครเลี้ยงใครก็ไม่ต้องเลี้ยงเพราะไม่ต้องไม่ต้องมาเกิดกันไง ก็ไปไม่ต้องมีใครมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาฆ่ากันไม่ต้องมาทำอาชีพอะไรต่างๆกันตาทุกคนนั่งสมาธิก็ไปนิพพานกันหมดเลยใช่ไหมดีนะไม่ดีเหรอดีอ่าไปเร็วๆจนดี ม, มันไม่ไปกันเลยสิอะ <laughs> <laughs> ยังอยากจะมาฆ่ากันอยู่ยังอยากจะมากินเป็ดก <laughs> ินไก่กันอยู่ <laughs> มือนก็เลยต้องมีการฆ่ากันอยู่อย่างนี้ คนกินไม่คนกินไม่บาปคนฆ่าบาปคนกินจะบาปก็ต่อเมื่อไปสั่งให้เขาฆ่าให้เท่านั้นนถึงจะบา ป, าบาปช้าไปสั่งเขาว่าพรุ่งนี้จะเอาไก่ตัวอย่างเงี้ยบาปแต่ถ้าไม่สั่งไปที่ตลาดเห็นเของมันตายอยู่แล้วยจะซื้อไม่ซื้อมันก็ตายอยู่แล้วเงี้ยมันจะไปบาปตรงไห น, นอ่าออาหารเจแล้วไปตบยุกมันก็บาปอีกอ่ะยึดเงินภาษนะีเนี่ยเออ เขียนไก่า ย, ยากนเียนวัวควายมันก็มีบุญเยอยะแยะสิวัวควายมันกินเจไม่ใช่เหร อ, อวัวควายมันจะมีบุญได้ยังไงมันต้องไปขโมยยาเขากินอีกอะคาณแมคะขอยาดิบตัวหนึ่งค่ะเขียนเช่นว่าไปตลาดไปซื้ออาหารแม่คะต้องมีปลาตายอยู่แต่ค่าน้อยใช้กรุตโรบายได้ไหมคะค่ณแม่ค้าคะมีปลาตายไหมขอซื้อปลาตายหนึ่งตัว ก็มันตายแล้วไม่ต้องไปถามกูสัตว์ระบายนะคะก็คือบางทีเขาบอกไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปถามเราไปดูมันตายหรือยังคือยคือถ้าน้อยสังถน้อยไม่ดูเลยค่ะสังาก็ไ้อยางนเลยไม่ได้หรอกการปลาตาย่ตัวเราจะกิดมันไม่ตายเขาก็่าให้เราอย่างเงี้ยอ๋อถ้าไม่ตายกให้าบาบเราอย่าไปพูดยังไงเราก็ดูจับมันดูดูมันตายหรือยังตายแล้วก็ซื้อถ้ามันไม่ตายเราก็อย่าไปซื้อมัน กุศลบายแบบนี้มันอ่กุศโลบายมากกว่าถ้าเานนกิ ว, เก ว, ว่าทั้งทั้งทถ้าเราไม่รู้แล้วเขาไปฆ่านี่เราก็บาปใช่ไหมคะถ้าเราสั่งมาไลค่ะคว่าแม่ค้าซื้อปลาตายหนึ่งตัวค่ะนั่นแหละอันนี้ก็บาปแล้วแหละเขาก็ไปฆ่าให้มันตายแล้วก็ว่าบางทีแม่ค้าเขาเขไม่รูนะว่าเขาใจหยาหายมากทุกท่านอ๋อแล้วก็ซื้อ้องรูไม่เป็นไรเราเราซื้อของที่มันตายแล้วสิเราเห็นอยู่เนี่ย ของเนีไม่ตายเราก็ไม่เอาถ้าไม่มีขังตายต่อหน้าเราเราก็ไม่น่อยพูดอะไรนะไม่ใช่พอเห็นว่าไม่มีของตายก็เลยไม่ค้าของเอาปลาตายมาให้ตัวเนี่ยโคได้เดี๋ยวไปทุบหัวคุณเจ้าค่ะคาน้อยเสียงติดใจเมืครั้งได้ยินเร่อเร้อยู่นะคะมีปลาตายนะคะเออเยอะถามไม่ได้เดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวจักันะอนกี่ตใจาอยอันนี้ไม่ได้เลย พูดไม่ได้พูดอย่างนี้มันก็เหมือนสั่งละ่ะสั่งแบบกุศโลบายไงต้องไม่พูดไม่สั่งมาถึงก็หยิบไปเลยมีของอา่ามีของก็เอาตัวนี้เลยเอ่เอาตัวนี้เลยเอา่เอาอา่า ม, ม, มีปลาปตายที่ทอีสานเนี่ค้าก็ไปเอาปลาในกระชัในน้ำโขงมาขายเป็นๆ เ, เลยเอ๋อมีที่อื่นที่เขาขายปลาปตายมีเยอะแยะไปไปผิดไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปตามซูปปมเปอร์มาร์เก็ตเขาของตายเขาไ ม, ม่เห็นเขาขึ้นที่สีวันข้างแล้วเออ เขาแช่แข็งมาแล้วแช่เย็นมาแล้วก็กินได้แต่ถ้าเราเป็นคาราวาสก็ อ, อย่าไปกินมันก็ได้ถ้าเราไม่ไม่ไม่อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็กินผักไปก็ได้กินเจไปก็ได้ถ้าเราเนี่ยมันแยกกันแล้วเนี่ยมันผิดศีลข้อสามวันเนี่ยมันแย่งตัวเบียรกันเลยเนี่ย